เรื่องทางเลือกแห่งการพัฒนาโดยพระอาจารย์สมภ พ, พโชติปัญโยคอามหนวยพรจุลิสวัสตพิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุขทุกประการจึงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมประพุทธศาสนา และตลอดทั้งทันซาทุชนผู้มีความสนใจฝ่ายในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ฝ่ายบนฝ่ายกุศลทั้งหลายเนยทั่วการทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวทำนิกท้าคือถ้อยคำอันประกอบด้วยธรรมอันเป็นธรรมสั่งซ้อนในทางพระพุทธศาสนาแล้ว ขอให้ท่านตัางร้ายจนได้ต่าง อ, อกต่างใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจาวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพ่พึงมีในวันนี้ คำนี้กระทาที่จะนำ อ, อากาศในวันนี้นั้นมีหัวข้อว่าการพัฒนาที่จะต้องเลือก <c oughs> ทําไมจึงพูดคํำนี้ออกมาว่าจะต้องเลือกการพัฒนาการพัฒนาที่จะต้องเลือกนั้นมันเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องมาพูดกันทุกวันนี้เรียกว่าเป็นโจกแห่งการพัฒนา ประเทศที่พัฒนาแล้วที่เราเรียกว่า post development คือผ่านพ้นการพัฒนาแล้วเขาก็ยังมีปัญหาแต่สดงว่าการพัฒนางเขามันก็ไม่แล้วมันก็ไม่เสร็จมันจะต้องเลือกทาส่วนประเทศที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือกำลังพัฒนาก็มีปัญหาอีกพวกที่ยังไม่พัฒนาล้าหลังก็ยังเร่ ง, เ ร, งเร่งเครื่องที่จะพัฒนา แต่ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วล้วนนี้เกิดมาจากการพัฒนานั่นแหละเพราะเหตุนั้นเองพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตัดไว้ให้เราคิดว่าโยอิทมัชชังปวิจยะคันหติสเวนโรเศตมุเปติท่านังบุคคลใดเลือกถือเอาส่วนที่เป็นกลางกลางไว้ได้ นราชนนั้นย่อมเป็นผู้ประเสริฐโดยแท้สเสถีนารโอเศธมุเปติฐานังโบคนนั้นย่อมตั้งอยู่ในฐานะอันประเสริฐคือเลือกเอาส่วนที่เป็นกลางกลางเพราะนั้นการพัฒนาทุกวันนี้มันเป็นกลางหรือไม่บางทีมันก็ล้ำหน้าจนเกินไปบางทีมันก็ล้าหลังจนเกินไป ถ้ามัวแต่พัฒนาอย่างเดียวมันล้ําหน้าถ้ามัวแต่อยากจะให้มันทันเขาทันสมัยมันก็ล้ําหน้าถ้าไม่พัฒนามันก็ล้าหลังทีนี้จะพัฒนาอีแบบหนึ่งมันก็ล้ําหน้าพัฒนาไม่เป็นมันล้าล้าหลังควรจะเลือกเอาอย่างที่มันถูกต้องเพราะพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่า บคุคคลใดถือเอาส่วนที่เป็นกลางกางไว้ได้บุคคลนั้นนรชนนั้นย่อมตั้งอยู่ในฐานะอันประเสริฐโดยแท้และทั้งบวววิจยะโยนิโสวิจเนธรรมังปัญ ญ, ญายัถังวิปัสสติพึ่งตรวค้นทำให้ถึงต้นตอแล้วจึงจะเห็นด้วยปัญญาเห็นแจ้งโดยปัญญาพวกเราเป็นประเทศที่พัฒนา ตามหลังฝรั่งมั่งค่าเดี๋ยนี้เรียกตนเองว่าเป็นประเทศนิกวิ่ ง, งให้ทันขาวจะได้เป็นเฟื้อเศรษฐกิจตัวใหม่ในเอเชียก็เลยเรียกว่านิกนิวรีอินดัส tri คันเทประเทศอุตสาหกรรมใหม่แต่ปัญหาเป็นอย่างไรในขณะที่เราร่่ารวยกันทางเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านของเรายังตามไม่ทนัน แต่เราก็ได้สูญเสียอย่างยิ่งใหญ่คือดุนยาภาพทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทุาวันนี้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ข, ของโลกอย่างชนิดที่ลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและยังไม่ได้พัฒนาหรือกําลังพัฒนาหัวอกเดียวกันนี่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ําเน่าอากาศเสียอากาศเป็นพิษน้ําเน่าแผ่นดินเสียปลูพืชพันธุ์ยาหาันไม่ได้พ้น นอกจางนั้นเก็ะดุญยาภาพธรรมชาติโูกทำลายอย่างย่อยยับอากาศหนาวก็่หนาวมากร้อนก็่ร้อนมากความร้อนของโลกได้สูงขึ้นน้ำในทะเลก็ได้เพิ่มมากขึ้นส่วนที่เป็นทะเลสาบทั้งหลายก็ตายไปไม่มีเต่ากุ้งหอยปูปลาตัวไหนจะอยู่มันได้ต้นไม้ที่เขียที่เคยเขียวสดงดงามในประเทศทางตะวันตก ไม่มีใครมาถางปลูกปอปลูกมันอย่างบ้านเรามันก็ตายของมันเองเอาเฉยๆเอาดือด้อๆข้อเหตุที่เกิดมาจากการพัฒนาที่ล้ำหน้าจนเขาไปทำลายธรรมชาติดูดเอาคุดเอาทรัพยากรธรรมชาติพวกฟอสซิลเอ็นพวกน้ำมันพวกแก๊สต่างๆเอามาทะลุง สร้างโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเน่าน้ำเสียากากเดนเคมีลงใส่พื้นดินพื้นน้ำจนปลาไม่สามารถจะอยู่ได้ลอยฟองกันเป็นบนอากาศเป็นกฎใไนตริกกรดกรมะถันถูกความชื้นผสมเข้ากับเมฆตกลงมาเป็นฝนเกิดเอซิเทรนฝนน้ำกดรดรสราดลงตรงไห น, นตายมันตรงนั้นต้นไม้ก็ตายเหี่ยวแห้งร่วงล่นใบ ไม่งอกออกมาอีกเผ่าอีสานเฮาเอิ่นว่าไหม่กแกหลอนตายแล้วตั้งแต่เฮงเทโกสโลวาเกียสวิตเรนดเยอรมันเฮ้ยต้นไม้ก็ผล่คอตายเขากลุ่มใจนอกแก่งนั่นทะเลสาบใต้ไม่มีสัตว์ตัวไหนอยู่ได้เพราะน้ําเป็นพิษน้ําในดินก็เป็นพิษเพราะปล่อยน้ําเสียจ า, ากเดนเคมนี๊ต่างๆลงไปไหลเข้าไปผสมเกิดพิษน้ําบนฟ้าตกลงมาก็เป็นพิษ รดราดลดหดต้นไม้แล้วมันตายไปหมดเตืก๊กรามบ้านช่องสิ่งก่อสร้างปูสร้างทั้งหลายคือมันก็พังเสื่อมเสียคุณภาพประเทศไทยประเทศไร้การพัฒนาประเทศอื่นไม่รู้อินโออินเนกเดินเข้าไปอย่างจังเบอร์ทั้งดิเรกชันอ n นดิเรกชทั้งทางตรงทั้งทา ง, ง, งอ้อมนี่แหละคือผลแห่งการพัฒนาทางวัตถุทางเทคโนโลยี พอเห็นนั่นการพัฒนานี่จะต้องเลือกะแล้วจะต้องเลือกแล้วที่เราจะต้องมาโทดกันที่ท่านนึงไายเข้ามาในวัดท่านก็เห็นแล้วไหมในทางน้ําในทังน้ําก็ดีในตรงไหนก็ดีที่เขียนไว้บางคนก็มานั่งจดเอาป่ารักน้ําอารามรักนกพุทธสาวกรักธรรมน้าเอาความร่มเย็นกลับคืนมาเงี้ยไง ที่เขียนเขียนไว้นั่นแหละคือทางเลือกทางเลือกแห่งการพัฒนาแต่ก่อเรามีแต่ทางป่าทางป่าวันนี้เราจะต้องกลับมาปลูกป่าตรงไหนตรงไหก็ปลูกป่าโครงการอีสานโคงอีสานเขียวอะไรเกิดขึ้นเพื่อจะปลูกป่าได้นี่มีอีสานขาวขึ้นมาให้เราบอว่ามันเป็นความรู้สึกที่ช้าที่สุดเลย มันคลัาซี่ที่สุดทำไมไม่แอคทีฟในเรื่องเหล่านี้อาดมามาอยู่ในป่านเนี่ยหกปีหลายก็ดูเถอป่าไม้ที่ปลูกขึ้นมาต้นใหญ่ๆก็ไปย้ายมันมานี่นะไม่ได้มีทนมีร้อนจากรัฐบาลแม้แต่สตางแดงเดียวไม่นำซ้ำยังต้องซื้อที่ดินป่าสงวนแห่งชาติคืนมาไร่แล้วเป็นหมื่น ซื้อมาแล้วก็ามาปลูกป่า <c oughs> ป่ารักน้ำปลูกแล้วก็ต้องรอคอยว่าจะถูกรัฐบาลไล่หนีเมื่อไหร่อันนี้ก็เตรียมตัวไว้เองเหมือนกันที่ปลูกนั้นนะมีดเดรียอแรงงานของพระเนนทั้งนั้นใจมันรักป่าดงพงภัยอาตมานี่เป็นคนป่าคนเยิงเกิดมาเห็นแต่น้ำฟ้าป่าเขา แต่นี้มันหมดไปหมดไปก็มีความรู้สึ ก, กว่าคิดถึงสภาพอันนั้นและยิ่ง ท, ทุกวันนี้โลกทั้งหลายก็พากันหวาดกลัวมีการประชุมกันทียิบขึ้นในทศวรรษนี้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเอ็นดิลอนเมนทั้งหลายตลอดถึงเกี่ยวกับความร้อนของโลกสูงขึ้นอีกประชุมกันอินเตอร์เนชแนลเฟนโ s h i p International Conference on Ozone Layer c o p l e t i o n มีการประชุมกันระหว่งนางนานาชาติเกี่ยวกับปัญหาหาข้อยุติในการอ่าโอโซนี่ถ้ามันร้อนมากฟ้ามันรั่วขึ้นมาก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาจากแสงอุลตร้าไวโอเรททำให้ เป็นพิษเป็นภัยอย่างรุนแรงทั้งมนุษย์ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งต้นไม้ใบหญ้าล่อยไว้ต่อไปนี่ปัญหานี่จะรุนแรงมากขึ้นส่วนอาตมานั้นมาอยู่ที่นี่ก็มีความคิดอย่างนี้ทำยังไงก็ต้องซื้อซื้อป่าเหล่านี้ไอ้ที้เคยมาทอดกระถิ่นทอดปลปล า, ปาก็พยายามถามพยายามพูดกับเจ้าภาพว่าอาตมาจะซื้อที่ปลูกต้นไม้เนี่ยที่ป่าสงวนแห่งชาติ คล้ายๆซื้อคืนมาเพื่อเวนคืนให้รัดนันแหละแต่ในขณะเดียวกันจะต้องปลูกป่าให้ซะก่อนเตรียมใจไว้เผื่อว่าจะถูกไล่ออกมาเหมือนท่าาจารย์ประจักษ์ตามธรรมดาและพระสงฆ์องค์การหรือไม่มีสิทธิในการครอบครองแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วมือเดียวเววันนิยมหิาชูปะคะโตมีชีวิตที่ปราศจากวันรนะไม่มีฐานะใดๆในสังคม อายชาวบ้านกินไปวันละครั้งเดียวมือเดียวก็ประกอบประโยชน์ตนโดยการเจริญสมาธิภาวนาศึกษาพระธรรมวินัยนเพื่อจะปลดปล่อยพันธนาการพวกอัตราตัวตนแอดแทสจากเซลล์อะไรต่างๆไม่ออกไปที่นี้มันเป็นปัญหาอยู่ฮี่ ถ้าอยู่ๆเฉยๆมันก็ดูกัอะไรอยู่ถ้าพอจะช่วยโลกช่วยสังคมช่วยบ้านเมืองมันมีสํานึกของมันเองเรื่องไปถึงรออีสานของอีสานเขียวในวัดอื่นทั่ทวๆไปงานได้รับทุนจากทางล้วงทางลัดแต่ก็ไม่เห็นจะปลูกอะไรกันตรงไหนเหมื่อยังเท่าเก่า<ม>เห็นรายงานปลายปูเข้าไปเป็นพันต้น แต่ที่ดินมันก็ยังอย่างเก่าปีหน้าก็ปลูกอีก2องพต้นแต่ไม่มีอะไรขยายขึ้นที่นี่เราอยากจะเห็นป่าช่ำฝนที่ฝรั่งว่า rain forest นะ น, นะและก็อยากจะให้สภาพเหล่านี้มีขึ้นป่าที่เขียวสดงดงาม น้ำฟ้าป่าเขามีแหล่งน้ำน้อยพอเลี้ยงต้นไม้ให้นกใหกาได้อยู่ได้กินสัตาว์ว่าสิ่งเพลเพลเจริญใจด้วยมแมกไม้เขียวสดงดงามเสียงหมู่วิหกนกไัยเริงร่านในป่ากว้างพระทรง์องค์เจ้าหนังเจริญสมาธิภาวนาเดินจงกรมเพลแล้วก็เย็นตาเย็นใจนี่คือโครงการป่ารักน้ำอารามรักนกพุทธสาวกรักธรรม ที่ท่านได้ยินแล้วนี่เสียงที่มันร้องเจื่อยแจ้วอยู่ตรงเนี้ยเนี่ย น, นกยูงเดินเป็นปุ้งปุงนกกาวา่าร้องนกพโพละดกนกขาวร้องสานันหวันไว้ไก่ฟ้าพญาล้อเนี่ยมันเดินเดินเดินเดินกันมาเห็นแล้วอย่างนี้มีความรู้สึกอย่างไรถ้าเห็นอยู่ในป่าก็จะาฆ่ามันมาลาบกินดูนกยงมันจะแซบบอไก่ฟ้าพญาร้อนอกไก่ขวนี่มันจะแซบไหมจะอร่อยไหม แต่พอมาเห็นมันเดินไปไม่หวาดไม่กลัวมากินอาหารอยู่ในมือพระอย่างนี้อาจะมาเชื่อว่าร้อยละสามก็ไม่มีใครอยากแก่ข้าอยากแกงมันเกิดธรรมะในใจความเมตตาปานีโออสัตว์เหล่านี้น่ารักอยู่กับพระทรงองค์งามไม่มีใครเ บ, บียดเบียนมันนึกไปใครมาเห็นก็เออมีความสุขใจเห็นไหมอารามอันร่มรื่น เมฆไม้ป่านาน า, นาพันธุ์แต่แหนี้มันปีปัญหามากก็คือว่าการพัฒนาอันนี้ยากอย่างหน่อยต้องพัฒนาคนพัฒนาจิตสํานึกของคนให้เขารู้จักรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คุ้มครองป้องกันช่วยกันการสร้างจิตสํานึกนี้แหละจึงเป็นปัญหาใหญ่ในการาพัฒนาคน และนี่แหละคือต้นต่อแห่งการพัฒนาละเราจะทำอย่างไรยิ่งแถบนี้ที่อำเภอคำตาตาอากาศอำํำนวยบ้านหม่องว่านอนนิวาดเจริญสิ้นสว่างพังโคนมันไม่มีผู้เขาเลยเม้แต่ลูกเดียวนอกจากนั้นหาป่าดิบดงดาไม่มีอีกแล้วหมดแล้วเป็นเพียงความฝันเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานให้ลูกให้ล้านฟังหมดป่า ป่าเต็งลาก็หมดไปสัตว์ทั้งหลายก็ศูญพันไปศูญพันไปที่นี่ก็ไม่มีแหล่งน้ำอย่างที่เห็นนี่อาตมาจึงต้องพยายามที่สุดเลยกับพระกับเนที่ต้องปลูกต้นไม้ต้นลายอย่าว่าแตในขณะนี้เลยในเมืองนอกมันก็ตายโดยไม่มีใครถางเพราะเกิดฝนน้ำกดในประเทศไทยตายเพราะคนถางมันเมื่อปีพศสองพันห้าร้อย สิบสี่สถิติของกรมป่าไม้ได้บันทึกไว้ว่าป่าประเทศไทยมีถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านไร่แต่พอมาถึงปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองมานี้ป่าประเทศไทยก็เหลือเพียงแปดสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดไร่ จริ ง, ทงแท้จรรยาธรรมมาไม่ทราบนั่นคือสถิติทําไมมันรวดเร็วเหลือเกินมนุษย์นี้เป็นผู้สร้างสรรค์มนุษย์นี้เป็นผู้ทํำลายทําลายอย่างย่อยยับเดียดเบียดเหลือเกินเบียดเบียนป่าเขาลําเนาภัยธรรมชาติดินฟ้าอากาศในขณะที่ป่าหมดไปนี่สัตว์ป่าก็ถูกทําลายไปแล้วก็ซูลพันไปมากๆการที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้กลับเขินมาอกีก อย่างน้อยสึกสิเปอร์เซนต์ยี่สิเปอร์เซนต์นี้จะทำให้โลกนี้เย็นขึ้นมาอีกตั้งเยอะแต่เราจะทำอย่างไรตรงนี้มันสำคัญว่าถ้าทำนั่นมันทำได้ถ้าเราสามารถปลูกสำนึกของคนทั้งหลายให้รู้จักคุณค่าของสภาพแวดล้อมธรรมชาติอันดีอันงามป่าเขาลำนาวภัยสัตว์สาวาสิ่งทั้งหลายที่วเป็นเพื่อนท่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันปัญหาใหญ่อยู่ที่การมาพัฒนาคน ส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นหยุดกันได้แล้วตัวเทคโนโลยีนั่นแหละอันเป็นผลิตผลของวิทยาศาสตร์มาทำลายได้อย่างรวดเร็วอย่างด้อยยับอันนี้สำคัญอะมาจึงพาพระเนรมากันพัฒนาปลูกต้นไม้ไปเทศไปแสดงธรรมที่ไหนเห็นเขาขังนกขังสัตว์เอาไว้ก็พยายามพูดถึงเหตุถึงผล การเบียดเบียนทางตรงทางอ้อมการลักขังเขาไม่มีอิสรภาพมันเป็นทุกข์แต่อยู่ดีกินดีก็เหมือนเป็นอมภาสนอนอยู่ในห้องแอร์อาหารกินเยอะๆแต่มันไปไหนมาไหนไม่ได้จะเอาไหมบาปมีกรรมมีบุญมีก็แสดงทำให้ฝั่งคนก็มีความาอ่อนอกอ่อนใจอายชั่วกลัวบาปเอ่อนกมาถวายที่ทันได้ยินมันรองสนามอยู่ตรงนี้ไม่ได้ค้างมัน อยู่ที่นี่มันก็เลยมีความสุขไปที่อื่นป่าก็หมดแล้วเพราะนั้นทำให้นึกถึงการพัฒนาแบบนี้คนทั้งหลายมักจะมองข้ามอาะมาพาพระผ า, า, านเนนปลูกต้นไม้พากกันเพาะซื้อถุงยางมาเองไปเอาแกบเผาไปเอาดินอะไรมาผสมมาปลูกมาทำแปลงลดน้ำไว้เนี่ย แล้วก็ไปปลูกที่นน่นที่ซื้อในป่าสงวนนั่นน่ะไล่ละหมื่นบาทอไอ้ไล่ะหมื่นบาทเนี่ยไม่มีราัฐานอะไรเลยหมยันก็เสียงที่สุดถ้าหากรัฐบาลจะมาไล่นี้เมื่อไรเหมาะไปนะพระนั้นเมื่อมีสิทธิจะไปคอมเพลนที่จะไปต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นแต่หากว่าทางรัฐไม่เห็นอกเห็นใจมองไม่เห็นคุณค่าประสงค์องค์เจ้าอย่าว่าแต่ให้นี้จากป่าสงวนเลย ไล่นี้จากประเทศไทยพระก็จะต้องไปนะถ้าไม่อยากจะไปก็ต้องสึกเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ชัดเจนแล้วไม่ให้มีอาการคอนฟ l i ต์ระหว่างบัญญัติธรรมของโลกและจริยธรรมของศาสนาถ้าเมื่อไรมันขัดกันขึ้นมานั่นก็แสดงว่าไม่มีสติปัญญาที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นถ้าเขาบอกให้ออกดองออกเขาบอกให้ไปต้องไปเ้าว่าจะออกจากป่าบอกให้ออกจากประเทศก็ต้องออกพระนะนะ ที่นี้เมื่อเราปลู ก, ลกดูรถโดยสารเขาวิ่งไปเนี่ยชาวบ้านเขาพูดดังๆให้ได้ยินว่าคนอะไรปัญญาอ่อนเหลือเกินซื้อมาแพงๆจะปลูกอะไรให้ได้กินก็ไม่ได้กินมาปลูกต้นประดูต้นตะเคียนนั่นแะท่านเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็ยังเพาะไว้อีกเป็นสองพันต้นเพราะไม่เฉพา ะ, ะเฉยๆวัดอื่นโรงเรียนอื่นสถานที่ราชการอื่นต้องมาเอาหันไม้ไปกับเรา ทั้งวันนี้พี่น้องทั้งหลายเป็นผู้ได้บุญคนที่มาบริจาคเงินทองอะไรต่างๆที่ไปแสดงธรรมของให้ขารถค้าเรือมาเลื้อนอามาซื้อถุงยางเอามาซื้อพันุไม้อะไรต่ออะไรบุญก็คือได้จากแ้ายมอ่าจจะมารัาบตกระเท่ากับเวรคืนนั่นเองค่อยคิดเดูเถิดป่ารักน้ําอารามรักนกท่านเห็นนกร้องเป็นฟงเดินไปเดินมานกยุงไก่ฟ้าพญาลเหล่านี้นกโพระดกอย่างนี้ พุทธศาสนาบกรักธรรมพระสงค์เจ้ า, ององานั้นตลอดเวลาประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของนัก บ, บวชเริ่มต้นที่ในป่าเพราะในป่านั้นมันเอือ้อเฟื้อมันสัมพันธ์มันให้ความสงบง่ายกว่าในบ้านในเมืองพระจึงต้องเข้าแต่ป่าชีวิตของพระอยู่ในป่าแต่ว่าในสมัยพุทธกาลก็ไม่มีดอกพระจะมาคุ้มครองอนุรักษ์ทะเลาะ ก, กันกับชาวบ้าน เพราะว่าชาวบ้านเขาก็ไม่ได้มาไล่พ้าออกเขาดีใจซึงขนาดเป็นจริยะธรรมของผู้ปกครองบ้านเมืองที่นับพืชศาสนาพูดที่เว่ า, า, าจจทัศพิตรราชธรรมก็ดีจักรวรรดิธรรมก็ดีทำของผู้ปกครองบ้านเมืองพระราชาพระเ จ, าจา้าจักรพรรดิมีข้อหนึ่งว่าทำ ม, มิการขาวารณะขบปติสมณนะพามเนสุทำ ม, มิการขารวาลณะขติ ให้การอรักษาคุ้มครองแกเหล่าสมณพราหมณ์ผู้อยู่ในเว่นแคว้นที่ยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วจงอยู่เป็นสุขไม่ใช่ว่าจะไปเบียดเบียนไล่ท่านออกไปอันนั้นเป็นจริยธรรมของผู้ปกครองที่น้ำเือพุทธศาสนาด้วยเหตุ น, นี้เองชีวิตของพระก็เลยต้องอยู่ในป่าแต่ไม่ได้คุ้มครองป่าลอกสมัยโบราณเดียวไปคนเขาก็ลบเลิ่มใสเขาก็ เกิดความรักด้วยกันเป็นปริยายทีนี้พอมาถึงสมัยนี้ป่ามันก็ไม่มีจะปลูกดูเองเนะทีเนี้่ป่าดงพงไผ่มันหมดอย่างที่นี่ก็ต้องปลูกแต่ในขณะปลูกก็ต้องรอคอยวันที่เขาจะบอกให้ออกนี้อีกเหมือนกันทีนี่เราก็เลยพัฒนาแบบไม่ต้องไม่ต้องมั่นใจอย่างเองอแต่เพียงแต่ว่าได้ทําไปให้มันเกิดประโยชน์จะไปหวังอะไรมากถ้าเขาบอกให้ออกก็ต้องออกไป เพียงเมฆไม้ช่ำชื่นในพืนป่าเพียงทาราเจิงขังทั้งเย็นใสเพียงเสียงนกเริงร้องกล้องแนวไพลเพียงเท่านี้ก็ชื่นใจเหล่าพระเนรอาดมาก็เลยเขียนไว้อย่างนี้พระสงฆ์จะมีความสุขได้ไม่ยากไม่ต้องไปซื้อสักบาทเพียงแต่มีเสียงนกเสียงกาป่าเขาลำเนวไพลมีน้ำใสเจิงนองพอได้อาบได้กินเห็นนก ตัวหนึ่งลงไปกินน้ําไปอาบน้ําเริงร่าก็สุขใจด้วยเมตตาปานีมันเป็นพ้นแห่งให้เกิดความสุขใจเขียนไว้เป็นภาภาษาอีสานไว้ด้วยว่าเพียงเห็นใหม่เงยวูดงเหมิดลกนาเพียงเห็นท่าล่าใสอังเต็มวังกวงเพียงเหนแซล่ลแซล่ลทวงสกุลหน้าในเทือนสะอ่อนเดชสุขยิงลำใจไข่เปิดโบเป็น บางท่านอาจจะฟังไม่รู้เรื่องภาษาภาคอีสานก่อความหมายอันเดียวกันนั่นแหละกับที่พูดเป็นภาษาภาคกลางว่าเพียงแมฆไม้ช่ำชื่นในพื้นป่าเพียงธาราเจิงขังทั้งเย็นใสเพียงเสียงนกเริงร้องอ้องแนวภัยเพียงเท่านี้ก็ชื่นใจเหล่าพระดิลเป็นคํากรที่มีความประทับใจ กับพื้นดินน้ําฟ้าป่าเขาชีวิตที่เกิดมาเคยเห็นเฉพาะอย่างนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้หมดไปสิ้นไปมันก็รู้สึกเสียดายและปัญหาของโลกมันก็เกิดขึ้นไปทั่วโลกเพราะสิ่งเหล่านี้ด้วยเห็นนี้เองอาตมาก็มาคิดว่าเอ๊ะทำอย่างไรคนทั้งหลายจะจะไม่มีความสํานึกรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาในการคุ้มครองป้องกันความสูญเสียเสียหายของธรรมชาติ ชี้โจแต่ก็มีความรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางมีหนทางคือการพยายามปลุกสานึกการปลูกสานึกให้คนมีความรู้สึกสานึกจิตสานึกรับผิด ช, ชอบด้วยกันมันก็มีหลายวิธีเพราะคนมันมีหลายแบบคนในโลกนี้มีอยู่ตั้งสามสี่ประเภทประเภทหนึ่งผู้กันปับรู้เรื่องปุพพวกปัญญาปัญญาชน พวกอุคติตันยูวิปติตันยูเนยะปะทะป ร, ะะประมะามะบางพวกยกหัวข้อ เ, เ, ขเล่าเรื่องราวขึ้นมาเข้าใจเพียงแต่ชี้โทษใเห็นว่าการตัดไม้ทำลายป่าการไม่เคารพต่อธรรมชาติอะไรต่างๆมันจะเป็นพ่เป็นภัยแก่ชีวิตแก่สังคมแก่โลกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อนจะพูดอย่างเนี้ยเข้าใจเลยเกิดสํานึกร่วมรับผิดชอบกันมาแต่อีกพวกวิปติตันยูนั้น จะต้องยกหัวข้อขึ้นมาอธิบายชี้โทษไม่พอต้องชี้ถึงคุณของสิ่งเหล่านั้นทั้งโทษทั้งคุณทั้งทางออกให้เรียกว่าอัสาธาอาเทนวะนิสสนะทั้งเสน่ทั้งเสนีย์ทั้งสำนึกเพื่อจะออกแกสิ่งเหล่านั้นเสน่ห์เสนีย์สำนึกนี่ต้องเข้าใจให้ดีเสน่ห์พันสาบุตรจารีว่าอัศธาเออ อร่อยเยือร่ล่อทุกวันนี้เราทำไปตามอำนาจสเสน่ห์แต่มองไม่เห็นสเสนียดทุกคนเดี๋ยวนี้มนรู้กันเกือบจะหมดแล้วว่าการตัดไม้ทำลายป่า ก, ก็ดีการเบยดเบียนธรรมชาติการไม่รับผิด ช, ชอบต่อสภาพแวดล้อมระบบนิเวศมันเป็นปัญหาแก่โลกแก่สังคมมองเห็นอยู่แต่มันมีเสนีเสนีคือทาไปแล้วมันได้เงินอืม ทางป่าทางดงปลูกมันสำปะหลังแล้วมันขายได้เงินไวๆไม่ต้องไปเอาญ่าเอารุ่นอะไรมากมันทําไม่ยากเหมือนอย่างอื่นนี่สเสนมนอยู่ตรงนี้สเสนีนั้นยังไม่เห็นทันตาสเสน่มันได้ไวกว่าเพราะฉะนั้นสํานึกมันก็เลยไม่เกิดทีนี้บางพวกเนยยะเนยยะคือพวกพอที่จะแนะนํากันได้นั้น พูดให้ฟังชี้โทษให้ฟังแล้วก็ฟังอยู่ชี้คุณที่เรียกว่าสเสนอสัทธะของมันในเมื่อเราเว้นจากโทษอันนี้มันจะได้คุณอย่างน่นก็ได้เขาก็ฟังเข้าใจบ้างไหมเข้าใจบ้างที่นี่ต้องมีตัวอย่างให้เห็น เ, เรียกว่าพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างเขาจึงจะสํานึกได้ พวกนี้พวกเงยยะต่อมาพวกสุดท้ายปะทะปรมะมะืมดมามืดไปบัวใต้น้ําไม่สนใจพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องพูดให้ฟังก็ไม่รู้ทําให้ดูก็ไม่เห็นอยู่ให้เหน็นก็ไม่สนใจเราปลูกป่าให้ดูอยู่ผ่านมากบอกว่าคนปัญญาอ่อนเยอะเย้ยอย่างนี้เราก็ไม่ถือคนสามประเภทพอพัฒนาได้ใช้ในการปลูกสํานไพรสามประเภทนั่นแหละ จะต้องมาคํานึงให้ชัดเจนขึ้นมาน อ, อกจากพูดให้ฟังแ้วไม่พอต้องทําให้ดูต้องโย่ให้เห็นที่นี้อาณมามีความรู้สึกว่าการที่จะทําให้เรามีสํานึกขึ้นมาเพื่อการพัฒนาเลือกสู่การพัฒนานั้นคือการรับผิดชอบตามธรรมดาคนเราต้อมีสัญชาติญาณแบบเดียวกันอย่ว่าแต่คนเลยไม่ได้สัตว์ มีคำกล่าวตั้งแต่โบราณโบราณก่อนพระพุทธเจ้าเกิดอีกพวกพราหมณ์พวกอินเดียเขาก็เคยพูดว่าอาหารนิทานพยเมทุนันจะซาแมนเนตปสุพินารา น, นั่งการกินอาหารการนอนหลับสบายการหวั่นกลัวตอ่อภัยอันต ร, รายการสืบพันธุ์ระหว่างเพศสีอย่างนี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์ธรมโมหิเปสังอธิกโกวิเศโซ ธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์นี้ประเสริฐไปกว่าสัตว์ธรรมานิปหินังประสุพิสมานาถ้าขาดทำเสียแล้วคนและสัตว์ก็เหมือนกันอ่อนเสอันธรรมชาติสัญชาตญาณอินสติ้งออฟ r i ส์ที่ฝรั่งเขาว่านี่เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันตัวสัญชาตญาณ น, นี้เป็นพื้นฐานที่ตั้งของกิเลสของตัณหามนุษย์ ทั้งหลายจึงดิ้นรนต่อสู้ยื้อแย่งสแสวงหาพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ก็แสดงออกมาจากสัญชาตญาณเหล่านี้เขาทำเพื่อมีอยู่มีกินเขาทำเพื่อซื้อพันเขาทำเพื่อเอาตัวรอดจากภัยความหวาดกลัว กลัวว่าจะไม่ได้เสื้อพันไว้ในโลกกลัวว่าจะไม่มีอยู่มีกินกลัวว่าจะขาดทนกลัวว่าจะพ่ายแพ้ต่อคนอื่นกลัวคนอื่นจะเอาเปรียบเรากลัวว่าเราจะเสียเปรียบอะไรต่างๆพวกนี้และทำเพื่อได้มีที่อยู่อาศัายที่หลับที่นอนพักผ่อนย่นใจให้สะดวกสบายสี่อันนี้เป็นสำนึกสำนึกของคนหลากหลายเกิดมาจากสี่อันนี้สนึกกลัวจะไม่มีอยู่มีกิน สำนึกกลัวจะไม่ไม่มีเผ่าพันธุ์เหลือไว้จะได้เสื่อพันธุ์สำนึกกลัวจะไม่ได้ที่รับที่นอนพักผ่อนอันอบอุ่นปลอดภัยสานึกต่อความหวาดกลัวนาน า, นานประการทั้งทางตรงทางอ้อมเพราะฉะนั้นการที่จะปลูกสำนึกคนก็ปลูกได้โดยทางอาศัยสัญชาตญาณอันนี้แต่มันไม่ปลอดภัยมันจะกลายมาเป็นการทําลายการทําลายป่าดงพงภัยทุกวันเนี้ยก็เพราะสำนึกอันเกิดจากสัญชาตญาณสี่ประการอันนี้ ที่นี่ธรรมโมหิเตสังอธิกโกวิเศษโส ธ, ธรรมะเท่านั้นทำํำไมมนุษย์นี้ประเสริฐไปกว่าสัตว์หมายเขาว่าจะต้องมีสํานึกใหม่สํานึกอันใหม่นี้ไม่ใช่เกิดมาจากสัญชาตญาณแต่จะต้องเกิดมาจากภวิทยานผู้ภาษาบาลีนะว่าภวิทยานคือความรู้ที่จะต้องพัฒนาที่เรียกว่าธรรมะนั่นนะ ตัวสัญชาตญาณเธอ instinct of ตายต้อง develop มันขึ้นมามาซ o i n t e l l i g e n ว e ตัวนี้เรียกว่าภาวิตญาณอบรมสั่งสมความรู้ที่ประกอบไปด้วยธรรมแทนที่จะมาอยู่รอดด้วยกิเลสแต่หาจากสัญชาตญาณกลับมาดำรงชีวิตอยู่ ในสมัยนั้นของมวลชนของชนชนของประเทศชเมือ <c oughs> นระเป็นการเริ่มการพัฒนาที่ถูกต้องเป็นทางกที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาใคนปัหาม่เนแล้วการมีเรื่องชนชาติายามันไม่ต้ อ, ตองไปท ม, น ม, มนันมันจะมจะนมได้เนะร ดูอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาทางยุโรปอเมริกาก็หลีที่เขาเจริทางวัทางเทคโนโลยีนี่ยเขาเาเริมาจากสมนึกแห่นธรราติยานี่เองซิงออฟไลน์เี่ยบานเขาเือเขามันครั้งแรกมันก็อดจากมันาวมันเน้ำมากใครธรรมชาติเม่อวมารตัคมันทำอะไรได้ก็ไปนั่งปิ้งไฟก็อไปสิงเหที่มันทำมันต้องคิด เพราะสัเชาตญาณแห่งการดำรงอยู่แห่งการสืบพันธุ์กาินการดูสะดวกสบายเอาตัวรอดจากภวท่อภัยอันตรายเหล่านี้ไมยทีเอาชนะสิ่งเาระสนีะเป็นที่ชาตทนมากมันกับเกานีบความอามากน้าก็ไม่นร้อนก็ไม่ร้อนไป นี่มันเลยยู่นู้กันคัลยมันไม่ต้องเือนอะไรเราะาป็นเวลาหนาน้ำมากท่มากตกพงเาโนทะเลได้กจนบ้านออกไปสิงวอามาคิดที่เขาเลยมีสกกว่าทำยังถึจะเอาชนะควาแลนี้ใหมาได้่านอาจารย์บัณเนราเลยกะที่ ยังนุ่มผมนั่งสัต ย, ยังเป็นน้องแม่ยังเป็นเผ่าชนที่ทร่อนเร่ประวัติาสตร์แ่เอเียโดยะฉะาะในประเทศไทยในชมพูทวีปในอินเดียมันเธอห้องนา ม, มีปลาสาตรายฉวัางแล้วแต่เพราความโะดวกสบายจงเกินไปไม่มีอะไรอีกขั้นสัญจาต่ยานนี้มันก็เลยไม่ไดพัฒนาอะไรมากเพราะอามัน์่าดุกพรมชามีขั้นก็เลยสนใต่ยานเหนน็นดันดารงอยู่ของชีวิตก็เลยตอสู้ หาทางพัฒนามีสมมตเกิดมาเราก็เลยพัฒนาพัฒนาพัฒนาเรามากระทุกมีพันทางต่าเรือลูกไปจากแดนนี้มาถูกจากพวกโรมันขึมาเขาก็มาพัฒนาเรือาวุธขึ้นมาเรือนาอาุ่งจะรับต่อมาันี้มนก็เที่ยรานิคมลานิคมนานานิคมขึ้นมาก็ปจักเนี่อย่างนี้ โคู่มทางธรรมชาติภคู่คามทางสงครามดูภัยคู่คามทางศาสนาใหม่ศาสนาก็ดีรังคับในเชื่อในขณะที่เขายังทนเลวอยู่ยังไม่มีหลักฐานที่มั่นคงไม่ีอะไรดีกว่าตั้งทิศดีพระเจ no ้าลงคพระป็นเจ้าพระนเจ้าอย่าละบพระนเจ้าทนันที่จะช่วยเหลือพระู้เจ้าทนันที่จะดนบดาให ในที่สุดมันกมีทาเดียวคือเดีไงคนจิงทูเดปโคสอคอดนะไปจุดบัตรตามทตามพระปงของพระเจ้าังของทั้งหมดาเยอนเขไม่้ทำเมื่อนาธรรมชาติเียนเาถูกต่างๆเมืองเียนเ้สงครามเียนเาเอกไม่ไว้แล้วันลีฮันีสุ ไม่ต้องไปคิดเรื่องว่าพระเจ้ามีหรือไม่มีชีวิตทำยังไงจะทำเพื่มาังไงจเอาชนะคมร้อนควมหนาเกิมาสร้างแอร์คอนดิชันสร้งเตออะไรเกิดมาทำยังไจะวิ่เวๆได้เมนานี่ไจะนได้เหมือนนกมนไปมเลยเกิดทวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีขึ้นมาโอจนีมันก็พันกัเมทีเหมือนกับเราขนี้ ลูกมีพ so, ันจากปัญหาธรรมชาติสภาพแวนล้องไป็นพิษเลยคันหน้าเข้ามาอินเตอร์แคนเฟอร์เลต์อ๋อรอโซเอเลคเป็นสัตว์กับสัตมาอันนมาปชุมันในที่ธรรมชาติแต่นมันนกิดจากสัรมาติแต่ยันที้เราจะให้มนดีไปกว่านั้นหรืว่าธารมโมหีเป็นสัตโควิเป็นธรรมานันที่จะทำให้มนุษรคับตัวธรรมะทั้งหมดีอะไร พระพุทธเจ้าบอกว่าสัตททำมาปัญญาลทั้งหลายปัญญาเป็นกอดปัญญาชีวิชีวิตจะมเโตการดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญานันเป็นชีวิตอันประโนีั่นก็คือปกสทงปัญญาพิจาาเหตุหาผลเยธมะเหตุกว่าเตสงเหตรงตั้งโตสิ่งนั้นไมันเกิดจากเหตุพระพุทธเจ้าบว่จะแกไใ้จะะเป็น แต่ดั anymore, ้งวเีอะไรต่างๆมันก็ไม่ต่างกันเอันเที่ประเทศไทยของเราทุกวันนี้ทำไมปราจิณมาไกลทำไมรังหาร่างไรจะเลี้ยงคอร์ดทำไมปัญหามันจะมีเกิดมาหมดเกี่ยวกับสภาเป็นร่วมอะไเป็นที่ต่างเนี่ยเมาจากอะไร การรมัสสาหาหต hmm. ante, ุดังคำที่กาวบนาโยนิโสมเจเนรมังปัญญาจากั้งทีปัสสติพึงต่อคนถึงต้นตอแล้วก็จะเห็นฤทธปัญญาจากเช้อาจจะมาเมื่อวันที่28กันวาปลาีที่แล้วมาได้พาพันเลี้ยง42รูกกับพวกนาคาทีกางหนุ่มเท้าหเท้าถือสิบแปด อีกแตด<า>คนรวมกันเป็นห้าสิบได้ออกจากวัดมุมาสู่ภูทรุ่ยทะยานแห่งชาติโวยวจนหังจะครบรสเซนาสนาป่าอันดังนั้มันมีจะไปเข็ไปร้อนคนไม่ได้พอผักไน่พรอยจะเป็นเวลาของตัวเองอยจะอบรมท่านเองอดมมเอโดยตรงว่าเราจะไม่ ค, บ ค, บ ค, บครคบรสเซนาสนาป่าเราจะชันมามาวัลลหหักาษณ์สงสารใจคน ลุเทาเทาคนต้มน้ำร้อนถวายมามาให้แล้วต้อ ง, อ ม, องอ ม, มีย้มถวายมาเยอะก็เลยถานามามาถึงห้วยขวดทั้หลักที่หน้าเข้ขวดท่านนอำเภอรวนเดยคุณนายอำเภอเต่า้ยผู้สนใจในสิ่ ง, ท, งทั้งคุณนายทั้งอสทั้งเจา้านายทั้งวกมาวยกันวันนั้น เอาเรือท้องแดนมาส่งเราจะมาต้องการ จ, จะไปป่าลึกเขาสูงก็เลยได้ลงเรือท้องแดงกันอีกคนนึ่งก็แบนขึ้นรถโดยคุณีกฤษดาสภาพไข้ปวดหัวหน้าอุตยายามแห่งชาติเป็น ห, านานหัวใอมทั้งคนงานลูกน้องไปบังขบงขนันพาเอารถมาส่งไปงายลำบกเทาที่รถจะไปได้สุดทางและก็เดิน ส่วนไปทางเรือก็แล้วแต่สุดที่เรือจะไปได้ล่องแหวงค่อยขึ้นไปพอไปถึงเรือไปไม่ได้แล้วแต่จะมานั้นสมัตรวงางเรือไปไปพบกันทางพบกันเมื่อขึ้นบกก็ากันเดินสะพายบาดแผลกดเครื่องบินค้างคาลงพลังโอ้ยพาสุกใจเรือเห็นน้ำพาดผ่านผูเชี่ยวชาล่องแกวงไป อขึ้นแล้วก็เดินปาดิบดงํำฟังเสียงนกเสียงปลาขึ้นไปถึงต้นน้ำน้ำไหลมาแล้วก็มาเป็นน้ำตกลงที่ห้ยหวเห็นแล้วชื่ใจนึกถึงวันนักกรรมของข้าวบางคำนักปราผู้ยิ่งใหญ่เกลียนใจในภาคอีสานตั้งแตนปีพศ2439สมัยนู่นสมัยพระเจ้าอองของอุทิยา ถ้าบางคำวันนี aquilo, ้เลยสะคร้อนข้าบที่มีวิตสังคมอาเล่าในแนวภัยในอดีตล่าไว้ในเรื่องสังสินชัยพูดถึงตอนที่เทาทั้งหกลูกชาย้องพระเจากุศราร์ที่ให้ไปตามหาอาเลยเดินไปในป่ากว่าที่จะไปพบสินชัยเล่าบรรยาการในป่าดุงทองไพยวา ไม่ในดวงดวงเหมือเขาเขียวคำล้นไ่ลล้นเต็มโดนท่าตัวตัวสัตว์มาในเทียนแสวแข็งวัวเขาเราล่างโคตรตัวองตาเราด้นเหลนเยออุ้มัวขันโคนั่นคงกวดนลุกให้สนเซนต์ต้มี่จไใหม่บานของพื้นหอมสภาพงาเขียวคูขอยู เมื่อปรดับดอกอลกมเดลสารพันผูกขาแครขั้นท่าฉากเมียนูบินส่วนแต่ละแหวงปวดิ้มองโอ้คือก่อนเอคิดถึากคำเลยกันวันนี้เราได้เข้าถึงวันนกรรันเลอะเลอของปับเราได้เห็นไม่ใหตัวลงมือเขาเกียวเราได้เห็นคำลวงไหลหล่นในโมตนทาคำลวงหมถึงน้ำค หล่นตม้ตมนทางน้ำตกไหมาจากปาเขาอันเียวชะอุมอันดูสับสน น, น้าลาธาไหลไม่ขาดสายโซ่โสันส้นตะกหน้าในเขื่อนเสียงงูนกในปเขาลาเนาไพ่อนที่รงนกร้องหืาอาโรนจัดตอนที่ยงนกจับเจ้ามันจะจุดเสีวแทะ่วงโัวเขาเราล่างนกเสี้ยวนกแขง น, นกตัวนกกรลิงตัวน า, านเงื นกคุ้มล้อคุ้มล้อเฮินโฮนั่งคงห่อยแม่พูดไปแล้วก็จีคิดถึงเนไปมีความสุขใจยิ่งนักเมื่อได้กลับคืนสู่ธรรมชาติครบเต็มปากเขาคิดถึงพระเรือเจ้าพระพุทธเจ้าบัดนี้เราก็เริ่มเดินตามรอยเห็นพระเรือเจ้าเดินตามรอยเเขาคงงดงามบบุรุษของเราเราเคยดูนฝันนเขาเดิไปเดินไป หองชื่นใจวันนี้ถ้าเอาใส่เครื่องบินมายอดมารอบลงตรงนี้เราไม่รู้ว่าเป็นผาอีสานเป็นสกลนครนี่เราคงเข้าใจว่าลูกน้ำทางตอนตะกต้ทางเมืองกต้เป็นอเมรีเป็นนุ่นเมื่อเดินไปอีกสักเมื่อไรนึงก็พ่งออกมาฟ้าเจ่นจังปังอยู่ทําการอุทยาแห่งคาดไม่จะปลามันสัมอหลัง แหมตันนีใจแปลวเลยใจฟอเลยหลงดีใจมันึกตัวดีเหมือนกับหลับและฝันตื่นขึ้นมาเพระความขวันนั้นสลายไปมองดูหน้าเดกกับคุณกฤษดาสุภาพไพบุญมาทบอย่างไรสองสารเจ้าหน้าที่ปากไม้เจ้าหน้าที่อุทยานสองสามคนกับลูกน้องสามสิบสี่สิบคนไม่เทียวคอตกรรับทิลปเจนิลน้องก็เกินเดือนวันละเจ็ดสิบบาท รัฐบาลน่าจะมองเห็นคุณค่าบองคนเหล่านี้เดินป่าแล้วไล้ไส่ยดแปย่ของด้วยอาตมาน่าจะให้เงินเขาอย่างน้อยวนละหนึ่งร้บาทปรับภูมใหม่น่าจะให้มากกว่านั้นอาตมาคิดไปเองและเมืเห็นป่ามันสมารังคิดไปอีกไกลน่าเล่าป่าเมืองไทยจึงสูญสิ้นอย่างไร้ยับเคดอะไร อาจจะมาก็ว่าทเาอาไว้เอาไว้เดี๋ยนี้ตาลี่ต้ายายมายายบีเ่เขาปลูกเสร็จแล้วเขาจะหาไปขายที่ไหนอาลมางไลในประเทศเนี่ยกิโละตงในครซือหอันนี้เขามีพ่อข้ามีนายทุนที่จะต้องนำส่งพวกเอ็กพอร์ตอินพอร์ตกินน้ัพพายอะไรต่างๆส่งออกประเทศ แล้วใครเป็านคนเโวยไฟเยอใครเป็นคนติดต่ออาจมาก็ซื้อคนลงมาเก็รัฐบาลแต่ส่วนใหญ่นี่น่าเรามัน้องมีสต๊อกยองสต๊อกลงอะไรต่างๆเป็นปัญหากันคนการค้าต่างประเทศเอาเลยสิทีนี้โอ้คนเนื้อถึงกันไหมว่าผู้ที่ทำลายป่าสางเหตุใหที่ทำลายป่านั้นไม่ใช่ใครทีไหน เช้าวันนี้ยังไม่สายโดรงนึกคือรัฐบาลแท้ๆเยโยบาในการส่งเสริมการเกษตรตะกำพิษเพื่อผลเกษตรตะกำเพื่อส่งออกมีตัวสำคัญเพื่อส่งออกใครไปหาโค a ้ามันเป็นแสนล้านอันนี้ ah one, นใครไปหามาตวนี้จะซื้อไมได้ต้องรัฐบาลจะมีละอันเดียวละ อนนันที่สองก็โครงการของรัฐบาลเนี่ยโครงการในการสืบสารกรรมป่าไม้เพื่อส่งออกเพื่อประธานให้ผอลงเลืออ่อยพอนายทุนตัดเพื่อส่งออกลำธงที่จะมาสร้างบาง้านตางเรือนในประเทศทงไทยอย่างนี้มันก็ไม่หมดรด้อยปีที่ตัดแปรูปส่งลงเรือออกอกประเทศไม้เมืองไทไม่พอไปตัดไม้พม ข้ามาฟังไครล่องใส่รถเดือดุงไปน่รวมก้ประจุสองห้องประเทศที่ท้ายไปเร็วพอจะจีบท้ายคนอื่นคสริมอะไรทําไมที่อีกตอไปวาไม้ประเทศลาวไม้ประเทศเขมรไม้ประเทศพม่าไอ้ตัวจีบท้าไก็าจะหมดไปะีืคนไทยนี่และใครบางคนควคุมอูเรงที่ที่เคย่งมองเห็นชัดเจนขึ้นมา คณโยบายอุตสาหกรมาไม้เพื่อส่งออกมีตัวทำลายป่าแล้วก็รโยบาส่งเสริมการเกษตรผลผรการเกษตรเลื่อส่งออกมีอีกตัวการใหญ่จึงทำให้เกิดเพื่เศรษกิจให้ดิบใหม่ขึ้มาก็คือตัวมันสัมปลัง อาจมากเกิดมาแกนน่อนไมครู้จักมันสตลังพอแมเรียงบอะมันต้นูไว้พอมอพอกินนึกึงพูดผ่าอีกครนเขียนไว้ความรู้สึกแปรวนมั่นสีไก่เห่วนังสามเกลไกจักเสือขาว น, น, นาวไกจากหอดคนกวาดเอวฮะแม้จะมีเวลาอธิบายเนี่นนกเกนนนยเห็นภาได้ชัดเจนมันสีไก่เหี่ยวนังสาแเวสไกาจากเสือขาว มันควรจะกรูไว้ตามโคนตามหัวโคกในนาจอพวกโคนพวกในนาข้างลางมันก็มีน้องน้าในนาก็มีหเยมันก็เี่อ่กระายกันนาคนนเหียวไอู้กเดืลกเลหน้าเกี่ยวข้าวนามกมันนมันไม่พอเพราะมันเป็นพืเกิมากูตามโคนนาอยู่กกไม่ไหวมันองไปรู้ปาานลงให้มัหมด มันเพื่อส่งออกตามเป็นน้องต่อคงการรัฐบาลที่เปหาโค้ด้ามาตงนี้ตัวสคัญตรงนี้ต่ามาก็าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แ, แหล่งท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวไทยไวิสัยไทยแลนด์ยิ่งได้เลยสคัญในที่สุดฝรั่งมันมก็ล้านไลน์มาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก็คือสนามกรอบและรีกอร์ดการสระน้ำกรอบรีฟอร์ดในตัวทำลายปา่าทำลายธรรมชาติ การงานจะต้องผลิตพลังไปกวาผลิต น, น้ำส่งให้สนามครอบส่งให้พวกผลิตสอดต่าต่างตัวนี้ตัวสำคัญอีกตัวหนึงกโครงการของรัฐบาลนี้เือเอาเนตาต่างประเทศเข้ามาเขามาอีกก็มีอีกเรื่กกองสตวยเศรษฐกิจอะไรมองมนคนใคช้ไม่เคยกินนมรอกแต่ตอนนี้ไม่ใช่กลังมัค่าก็ไม่กินมิ้งไม่ดื น, น, ม, น, ม, ด น, นมรก เดีนี no so so ้โฆษนาตั้งเต็นุณนอนตื่นขึ้นยัมูไยินแล้วน้อสดตรงไันละโฆษนามาน้อโพเดี๋พวีคาโจรลงมามาตำบนเขอเขียววานทจะพูแมกหลาอันาม่กินกระวววดทวนสมบูรณ์ทังร่างายทั้งจิตใจเด็กก็จะรูโอ้ยมันก็เสียมันจะแสีเลยได้ยินโฆษนามันามันยมตายเลจะตื่แล้วน้นอินกิอที่หลายอใคร ใคร่หองหงวัวงกินบะบายนะคนรุ่นนีมันเพียรไม่ถึงแม้มากรติดถ้าเรามากรติดทิชชีนร่ใน่นูแลนีอคุ้นจโาโาไดี้ร่นอคร่เนี่โฆษณาเสียโฆษณาจากี่นลอ่ไม่ดีก็เป็นดีได้โฆษณาผิดิดเข้าใจผิดเป็นาทิหลังจากนั้นมีิดผิดมีาักปะ เราจะต้องมิจฉาวาจามาพูด um, ผิดการทำผิด um, ัมนแต่นี้มันไม่ปอย่างนั้นมันายเป็นมิจฉาคิดคไปที่หน้าโฆษณาในสินบนทมันต้องมันก็จะเกิดสำนึกดีๆงามเกิดมาจากร สักคำโฆษณาทางไม่ว่าจะเป็นทางวิดีโอทางวิธยตูทางนันคือพิมทางรูปลัทธ์ขัดปลุกระวาลมทีทำให้เความเข้าใจผิดกล้องสมาธิเกิดขึ้นกว่าเธอสมาสังกปายตัวสมาสังปายนั่นแหละคือสำนึกผิดกล้องอาสาอะไรก็สมมาสังกปอแล้วเรื่องขอนการโฆษณาอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็มีสัตวเศฐกิจเข้ามา เรียนคโนมีโคโนมันกินอะไรกินยากยากไปที่ไหนใส่กันหางไดมันต้องไปทําป่าทงทําไรยากเอาเขไปเทีนี้ทําไรยากต้องมาทําเครือานมายาสิเลียงคน่ปาคนมาก็หมายถึการทําลายป่มาอีกประเภทนึงต่มาก็พืชเศรษฐกิจเศรษฐกิจที่นก็คือกุ้งอะไรสิทีนี้กุ้งกุดดําโนก้มา นีุงเพื่อจะส่งออกต่าประเทศราคาดีป่าชายเลนหมดเกลี้ยงไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกของปากใายบ้านเราหมดป่าชายเลนทำลายป่าทำนาปุ๊บเราจะนกกับป่าชายเลนทางฝั่งภัคตันออกอ่าไทยฝังตะันออกจันโบยเลยะยองเลยโอ้โหองบานเอ็งหมดเกลี้ยงอีกเหมือนกันยันโบลีจะยืนเฉยได้เหี้ยก็ต้องมาถามาปูอีก มาทำงากรอีกหมดปรก็เลยจันเลยตออมาก็อีเซนซีบอพับเข้ามาอีกสเปาชัยเลยแล้วครจะพูดอูลายลองคิดดูนี่้าจะสร้างสำนึกแห่พูดไปยเวลาเขาก็จะหมดทำย่างไรคนเราจึงจะมารับผิดชอบด้วยกันมาเป็นมัดอาลุจกะทำพอดีสมัดอาลุจากำารืํามันเสมอ มัตสึมารู้จัดการกระทำคนดีของนามดารงชีวิตอย่างถูกต้องตรงการเขาจะไปชีวิตในเครื่องรถไจะตโบกมันอํกมาอย่างมีดวงาที่สักโต้กู้เเขาเลยเป็นชีวิตได้มาแล้กดเสียไปจะหากันอะไรนะของคนนน้อยเข่ากันเหมือนกันจะกีแล้วส่อเพือรถีรอบผู้ได้ก็ได้มาอย่างนี้ก็ถลายกันอย่างนี้และจะปกตํอเนิกกันในปกอย่างไรอาจะมาเลยมันนึกว่า คนไทยหกสิบล้านคนโอ้คํามนึกจิตความนึกนำมารับผิดชอบแลรับผิดชอบต่อสภาพแรมล้อมร่วมกันนั้นมันชาไม่นานการประเทศไทยไม่เหมือนเมืองฝรั่งเมืองฝรั่งเขาเปลี่ยนแปลงอะไรเขาเปลี่ยนแปลงจากข้างล่างถึงข้างบนเขาเปลี่ยนจากเด็กหนุ่มเด็กสาวเพราะว่าเขาได้รับการศึกษาทั่วทั่วต่างๆด้านการศึกษาเขามันนี้ มันเฉลี่ยไปทั่วมันไม่มีของเราเอาแต่ในมีแต่ลูกปู่หลานมากมีแเราเลี้ยงที่นี่การเปลี่ยนแปลงเรื่องของทางอเมริกาทางยุโรกทางตะวันตกเขาเปลี่ยนแปลงจากข้างล่างขึ้นข้างบนอย่างเขาจะนั่งถือราฐนะเขาเข้ามานั่ถือเขาเองเขาสุขารเขาคุ้นคว้าเขาแบบเพื่อเขาปฏิบัติรัฐบาลคนดูเขากิจกนรรมมาที่เขาหนาก็ทําอะไรกันรัฐบาลก็เขาไปออกเฟอร์ไปสังเกต เห็นมันดีกว่าสนับสนุนเห็นมันไม่ดีกว่าทางตัาทางคนมันยุติไปนี่มันเปลี่ยนจากทางลประเทศให้มันเปลี่ยนจากทางรนเปลี่ยนจากูหลังมเปลี่ยนจากระเบาลเปลี่ยนจากประเมนเปลี่ยนจากข้าราชการลูกข้าราชการเปลี่ยนเป็นคนลูกเจ้าใโตลูกมีเงินเปลี่ยนไปก่อน ลูกชานาชายสารยังกินข้าวจำประเด็นยังกินก็พินิจแต่ลูกเศรษฐีที่ต้องไปยักันเอารถั้นไปส่งเรียนวันหลังถ้าขอรถที่เละมายากมากรอใต้โรงเรียนเพื่อนเขาจะได้เนไปโรงเรียนปิดลูกคุยคุยกันฉันไปเที่ยวบางแสนเที่ยวพัทยาฉัไปเที่ยวเมืองนอกกับพออย่างนู้ีกันมันเพี้ยนจากส่วนบนลงมาขอเห็นนั้นการสร้างจิตสำนก จะสร้างคนตั้งห้าสิบหกสิ้าเนี่ยไม่ทาแตกันหรอกค่าหน่อยว่าควรจะสุกนามันจะไหมเ้องมาสร้างจิตสำนึกบุคคลที่เป็นตัวหลักที่เป็นขีมัสเตอร์เป็นบุคคลสำคัญที่มีอาภิเษกจิตคนน้ำหนาโอกาบัตนาโดยเฉาะคือขาราชการสร้างจิตสำนึการาชการสร้างจิตสำนึกประสงฆ์องค์เจ้าสร้างจิตสํานึกระหว่างรัฐบาลถ้าจะไม่อยากจะให้คนทําลายป่า ไม่อยากเลยไม่ต้องไปเทีือวไล่จับกระสีจาราแกทําไรทั้งนั้นนะแกหาปลาปูมองปูมันไปเที่ยวหาจับจะเจ้าของรถท่อรถไถจะจะไปจะมาก็เอาเงินมาเอาเงินมาให้ฉันแล้วแกก็ไ้ต่อไปโอไถโอ้อดวนเดี่ยวนไปช้อําเภอไี้ต่อไปให้แกตํารวจสักปรกจึงไถได้พอเขาหาว่ามาทําลายปลาอีสานเกี่วความจริงเขาก็ไม่จับอริงขอให้จับได้เงินเฉยๆสองนั่นีหลเพราะนั้นสองเงินให้กันไป เอางให้ตำรวแล้วก็มาคูดเอกับชาวไร่เอแรงหลายลายร้อยเก้าร้อยมว่าฉันตองเีให้ตำรวจด้วยในที่สุดชาวไร่จะเสียแพงแตไม่นีจะมีนี่จะเสียนีข้านงค้าให้มันเขาไหก็ไม่พอค้างป่ากันต่อไปทีที้ทอยังไงก็ต้องสร้างสมดุลขหาราชการผู้รักผู้ใหญู่ที่มีสิอนี่าจโอกาบ้านพนกาแล้วให้บุคคลเล่านั้นมองเห็นความเสื่อม ความเจริญปิดกระแสอัตาผลปเสนทางบ้านทางเมืองไม่ตกแตเอาโค้งโค้นตามมาคือที่บ้าเรานี้มันคิดอะไรมาวอดลาดงของไทไม่ต้องวังเวยกับมันสิ่งเรล่านี้ก็ทำอนไราำได้ไมันปิดชวิตใหมันต้องมันก็ต้อไปหมดเมือนติดของน้ำไม่เห็นไหลเลนเองแต่นไปตรงนี้ดูจะหกตบฉาวในนองหาบ้านเรามืองสกณนคร มไม่มีใครสามารถที่จะปรามันได้เพราะไม่มีสํานึกที่จะเอามันแต่ถ้าลองผักตบชวาเป็นราคาขึ้นมาสิกิโลละห้าจุดสตางเหมือนกับมันต้องกันลังกิโลละจะดจุหาสตางค์กิโลละบาทอย่างนี้ผักตบชวาไม่พอเอกคนจึงลุยเอามาขายหมดแต่มันไม่มีสมดุลอย่างนั้นเพราะเห็นนั้นถ้าเราอยากจะหยุดการทําลายป่ารับผิดชอบอนี้ก็ต้องมาสาร้างอีกสมดุกคนทำลาย คนทน้งหลายมันจากก็มาสร้างภูหลักกู้ใหญ่เพราะว่าประเทศไทยมันเปลี่ยนจากข้างบนลงมาดางเก่าแล้วทีรงองค่ากมม็มีคนมาสร้างวัดให้เป็นปา่าล้เืออารารักษพุทธสาวกพระธรรมนำความรู้เพีกลับึ้นมาดังนี้คนทั้งหลายมาที่วัดเองไคนมาที่นี่มันเกิดสันนึกเองเลยเพียงแต่พูพดให้ทังไม่พอทาให้ดูทําเป็นตัวายาโอ้ใครมาว่าดีคนเฮี้จเจนเลือเกิน สบายใจมาที่นีวัดนาโจองเห็นนกยงเดินเป็นพวงมองเห็นไก่ฟ้าพยาโรเห็นมันมากินอนาหารับนมนกตอมากินอนาหารกับ ม, กมือพสงเจ้าหลังจากนั้ น, นรองำควรเห็น เ, น เ, นเนของมันบนข้างบเห็นแล้วชื่ใ น, ในใจเกิด น, นี่ตาปานีขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติไม่อยากีไม่อยากล้า อยากอะเห็นมันอย่างนี้อยากจะเห็นมันเริ่มร้ายอยู่เชนนี้เนี่นะกาสร้างจิตสื่อเช่นนี้พูดให้ฟังทำให้รู้จู้ให้เห็นเป็นตัวอย่างหลังจากนั้นอาตมายังคิดจู่ว่าทำอย่างไรเราจึงไม่มาพิจารณเหล่านี้ย่างป่าแะวุ่หตุาตที่เราจะจะขอจกเราเนี่ยถาเราจะซื้อเขาคืนมาเนี่ยอาตมาว่าเขาหาย เดี๋ยนี้รู้เรื่อง่าวหนีงคือพิมพ์เทวสมาคมจับมือกับมป่าไม้คอท่าป่าตนมาเพื่ออีจกาเขียวทำไมคอแค่นี้ทำไมไม่ทอดท่าเพื่อหาทุนซื้อที่ดินป่าต่งไว้เหตุฆ่เอื่อมโซมกับคืนมาปุูกป่าในวัดในวัดไหนถระสงฆ์าะที่รักป่าอารามรักนกพุตธสาวบุรักทำนำความเขียวสดกับคืนมาก็สร้างโครงการมา พ่อทำไมเราไลูกที่ไหนต้นไม้ไปปลูที่วี่เขาเนี่นะนี้ก็สองพันต้นีหน้ากอันต้นปีต่อไปก็สองันต้นเขี้อนงานนี้ยันั้นป้าก็ไม่มีป้ก็มีเท่ากาวน่าจะพ่อพาปาเอาเงินมาซื้อที่พ่อไปอย่างที่อยากมาซื่อจุดวันเพื่อปลูกปาลเนี่ยก็ปูกเพื่อรอให้มันสวยสดงดงามขึ้นมานในขณะเดียวกันต้องรอคอยว่า รัฐบาลจะไรนี้เมื่อไรอีกเหมือนกันน่าคิดในสมัยพระพุทธเจ้ามุขเทวดาเขาไปถามพระพุทธเจ้าว่าทําอย่างไรกินจะได้บุญคนเช่นใดจึงทําได้ได้บุญตลอดทั้งกลางวันกลางคืนพระพุทธเจ้าบอกกับพวกเทวดาว่าคนเราใดสร้างอารามผูกไม้สร้างสะคารไม้ดอกไม้รบไม้เงาสร้างโบน้าโรงน้าเป็นทาน พุดบ่อน้ำสร้างที่พักอาศัยชนเหล่านั้นย่อมมีบุญย่อมได้บุญทั้งกางวานาันกลางคืนทุกเมื่อนะไม่เชื่อลองไปเปิดหนังสือพระใตรปิจ ก, กวันนโรปสุสังยุตติ น, น, นายสขาระาาวเลเลมทิสุขะขอดีร้อยสี่สิบหกหน้าที่สี่สิบหพระพุทธจา้าท่านว่าอารามะโรปาวันนโรปาเยชนารีตุการตา ป, ระปะปัญจุทพา น, นัญจะ เิ่งถาันทิอุปัติเสียงเที่ยงที่วาจรัรตโตจะถาหากผู้หงปวะวัติดติปลาได้บุญทั้งกลางวันทั้งคืนวางแล้วแต่นะธรรมชาติและสมนาเทชะนาคาาโนผู้คนเานั้นจะเป็นผู้ตั้งอยู่ในสิ่งตังอยูในธรรมอมเป็นผู้ไปสู่สวรรค์ใช่ไหมที่ไม่ได้บุญขนาดนี้พื้ที่ผู้าผู้ สร้างอาณาบิเวณอาาเนียขาดหลงน้ำที่สนมีความคิดว่าถ้าเรามีเเราจะซื้ที่เขาทำน้ำไม่ได้ที่มัติกับวัดที่ตำเนี่ยมันเป็นอ่น้หลุดจาการไว้เหนินเป็น้อะไรมากัป่าจะอยู่แล้วเีก็เามาดีีเุหลายน่าจะได้คิดในเรื่องเานี้เพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสร้างป่าสร้างต้นไม้ อาลามาโรปาวันนักโรปาโรปาเปวพุกอาลามเปวส่วนปาปูส่วนปาวันนัโรปาเปวพุปาเอชนาเซตุการะอาปาัญจักรุตาปานันจัเอทัดทันติปะปะเสียงเอจังที่ว่าจัตโตจัตสักบุญอย่างประวัตินี้จนเราได้ปลูกชาวนเราได้ปููไม้ได้เพิ่งพาอะไรสร้างสะพานจนเราได้สร้างลงน้ำให้บ่อน้ำขุดบ่อน้ำเป็นอาน ที่พักอาไัยชนเหล่านั้นย่อมได้บุญย่อมมีบุญในการทุกเมทั้งกัางวันกันงคืนเนี่ยเพราะเหตุนั้นท้าไม่เราจึงไม่พากันชิดการจะปลูกกำลันกึกให้คนมีความสำเร็จรับีิคชอบต่อสิ่งใดข้อตามต้องปลูกหัวหน้าของคนทั้งหลายกว่า อพุตจ้าทั้งว่าวันนั้นเจตรมานันิมหังกัจฉันติภขวสภตาจิมังกัจฉิเอเจมหังรติสติอวณีวะมนุติสุบิตสมโอเจมังเทติปะเะอิตราปชาเมื่อคุ้หไปแล้วนามันไปคตรมันก็ไปโค ในหมู่มนุษูทีู่กสมมติเป็นหัวนาในต่างอยู่ในธรรมประชาชนทั้งหลายจะไม่ตั้งอยู่ในธรรมกับทางลับทางปุ๊ทางเลสีเป็นแหวนทั้งหลายจะประสบกับความคุกตาจายเอฮูเดียทามีโกหกหัวหน้าของคนทีท่ตั้งอยู่ในธรรมตรงนั้นถ้าอยากจะให้คนดีก็ต้องโค้งคาหัวหน้าของคนนั้นแหละไม่ได้ง่าย นนเี้ยตระมานางงนรดสักางชุจีเอูชุนขจรดีวันนีะวันนเซดูยูโมเรศมม่โอ้เจมิกาเลตติเปเวอิทราปชาตัทงทงสุางเซติราชายูติทำโกเราจะไปประเทศด็อกทัสมิกโซจุกันบารังก์ตะิกายประเเลนซีสิบเอ็ดสิ